ไ, ไช่างตัดเสื้อผู้กล้าหาญกาลครั้งหนึ่งในเมืองเล็กๆมีช่างตัดเสื้อคนหนึ่งชื่อว่าริโอริโอใช้เวลาทั้งวันไปกับการตัดชุดที่งดงามเพื่อทุกคนในเมืองวันหนึ่งในขณะที่ริโอนั่งและกำลังเย็บผ้าอยู่ในห้องมเมลังวันได้บินเข้ามารบกวนเขาเขาพยายามที่จะไล่มันไปออ พวกมแมลงวันหน้ารำคาญออกไปฮะไปสักทีสิพวกมันคิดจะลองดีกับข้าหรือไงเล่ามแมลงวันเยอะมากเลยข้าคงหวานเหมือนแยมแน่ถ้ามันมาเยอะขนาดนี้เอาไปพ้นนะออกไปโอ้ข้าไล่แมลงวันได้ตั้งเจ็ดตัวด้วยตัวข้าคนเดียวพวกมแมลงกลัวข้าแล้วข้าเป็นคนที่กล้าหาญโลกจะต้องรู้เรื่องนี้ น, นั้นเขาจึงหาอะไรก็ตามที่พอหาได้ในบ้านมีเพียงชีสชิ้นเดียวเขาใส่ลงไปในกระเป๋าและออกเดินทางเพื่อบอกโลกเกี่ยวกับความกล้าหาญของเขาในขณะที่กำลังเดินทางเขาพบนกตัวหนึ่งติดอยู่ในพุ่มไม้ข้ารู้สึกว่านกตัวนี้อาจจะมีประโยชน์กับข้านะข้าจะพามันไปกับข้าด้วยเขาจึงใส่เจ้านกน้อยลงไปในกระเป๋าและเดินทางต่อจนมาถึงที่เนินเขาริโอเหนื่อยล้าจากการเดินทาง เขาจึงตัดสินใจหยุดพักาการเดินทางช่างแสนเหนื่อยก้อนหินนี่คงช่วยพิงหลับได้สบายอ่ะนี่ช่างโอ้โอ้โอรีโอตกใจสุดขีดหินที่ขยับออกไปนั้นไม่ใช่ก้อนหินเขามองขึ้นไปข้างบนและได้รู้ว่านั่นเป็นเท้าของยักษ์ตอนนี้ยักษ์ตัวใหญ่ได้ยืนอยู่ตรงหน้ารีโอตัวเล็กที่น่าสงสารอ๋อพระเจ้า ยักษ์นี่ก้อนหินนั้นเป็นนิ้วเท้าของเขาไม่น่ากินแปลกๆอะอย่ามาบอกว่าเท้าของข้าเหม็นนะเจ้ามนุษย์ตัวกระจ้อยร่อยไม่รู้หรอว่าข้าเป็นใครอะข้าเป็นถึงยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกข้าสู้ชนะมาหลายศึกสงครามแล้วด้วยเจ้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับข้างั้ยหรือเจ้ามนุษย์ตัวกระจ้อยร้อยเอ้ยไม่เลยแล้วเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับข้าไหมล่ะข้าคนเดียวเนี่ยไล่พวกมันทั้ง7็ไปหมดเลย เจ็ดอะไรล่ะใช่เจ็ดตอนหนึ่งอ่ะอแต่อะไรคือเจ็ดที่เขาไล่ไปอ่ะเป็นผู้ชายเงี้ยเหรอหรือว่าเป็นยักษ์แต่ถ้ามันเป็นแมลงวันล่ะไม่มัง้งคงไม่มีใครอวดอ้างว่าไล่แมลงวันไปหรอกนะเอาก็ได้งั้นให้ข้าทดสอบความแข็งแรงของเจ้าเจ้าทําแบบนี้ได้ไหมลองทําดูเจ้ายักษ์หยิบก้อนเห็นก้อนใหญ่ขึ้นมาเอาไว้ในกำมือ และบีบมันเป็นผุยผงแค่นี้เหรอขาเปลี่ยนก้อนหินที่กลายเป็นน้ำยังได้เลย ร, รีโอนำชีสในกระเป๋าของเขาขึ้นมาแล็บีบมันอย่างแรงเจ้ายักษ์มองดูของเหลวที่ไหลออกมาจากชีสเขาไม่รู้ว่ามันคือชีส <c oughs> และเชื่อในสิ่งที่รีโอบอกเขายอดมากแต่มาดูว่าเจ้าคว่างได้ดีแค่ไหนและเขาหยิบหินก้อนใหญ่ขึ้นมาก่อนจะคว้างออกไปในอากาศ มันร่อนออกไปไกลและตกลงอย่างแรงมาดูว่าเจ้าจะสู้ได้ไหมนี่มันง่ายมากเลยเจ้าขอข่าแค่นี้เองเหรอเขาล้วงเข้าไปในกระเป๋าและหยิบนกออกมาเขาซ่อนมันไว้ในมือของเขาอย่างดีและในขณะที่เขาคว้างเจ้ายักษ์จึงไม่เห็นว่ามันเป็นนกไม่ใช่ก้อนหินเจ้านกมีความสุขมากที่เป็นอิสระมันบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเจ้าทําได้อย่างไงกันหินของข้าตกลงบนพื้น ทำไมหินของเจ้าไม่เหมือนกันเล่าจะพอก้าโยนได้ดีกว่าไงเล่าหมายความว่าเจ้าอ่อนกว่าข้ามันก็กลิ่นของเจ้าไงเล่าข้าไม่ได้ตัวเหม็นดิข้าจะนำต้นไม้นี้กลับไปที่ถ้าของข้าเจ้าต้องช่วยข้าช่วยหน่อยได้ไหมอะแน่นอนข้าจะช่วยงั้นเจ้าแบกต้นนะส่วนข้าจะแบกกิ่งอะแต่ต้นมันหนักกว่าทาไมข้าต้องแบกด้วยอะ ยักษ์เอ้ยส่วนต้นมันอยู่ข้างหน้าเจ้าต้องแบกมันเพราะข้าไม่รู้ทางไปถ้าของเจ้าอย่างไรกันเล่าข้าถึงต้องแบกส่วนหลังของต้นไม้อ่ะเรื่องแค่นี้ก็คิดไม่ได้ดังนั้นเจ้ายักษ์จึงเห็นด้วยกับดีโอถึงแม้เจ้ายักษ์จะแข็งแกร่งและเสียงของเขาราวกับฟ้าร้องแต่เขาก็ไม่ได้ฉลาดเลยและเนื่องจากเขาแบกรำต้นที่หนักทําให้เขาไม่สามารถมองไปข้างหลังได้ถ้าเขาทําได้คงมองเห็นรีโอนั่งอย่างขี้เกียจ มีความสุขบนกิ่งไม้เจ้ามาดุจดังผิวผากได้อีกกิ่งไม้ไม่หนักสําหรับเขาเลยหรือไงเนี่ยแข็งแก่งมากถ้าจะไม่ยอมให้ใครแข็งแก่งกว่าข้าถ้าต้องกำจัดมันในที่สุดพวกเขาก็มาถึงถา้าดีโอกระโดดจากกิ่งไม้และเจ้าอยากได้หินมากเจาไม่เหนื่อยเลยหรือไงเนี่ย การเดินทางกับต้นไม้ไม่ได้มากไปสําหรับเจ้าใช่ไหมข้าไล่พวกมันทั้งเจ็ดไปด้วยมือของข้าแกลแบกต้นไม้ขึ้นเขาไม่ได้มากไปเลยสําหรับข้ามันง่ายมากเลยดีซะอีกได้ออกกําลังกายด้วยเรื่องแค่เนี้ยสบายอืมงั้นดีแหละทําไมเจ้าเนี่ยไม่ค้างคือที่นี่สะละหรือเจ้ามีที่พักที่อื่นแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ข้าไม่มีงั้นข้าขอพักที่นี่คืนนี้นะ ดังนั้นรีโอและเจ้ายักษ์จึงคานอาหารด้วยกันในคืนนั้นและในที่สุดก็เข้านอนแต่ว่าเตียงของรีโอใหญ่เกินไปสําหรับเขาเขาจึงไปที่หมุมห้องและหลับที่นั่นตกดึกเจ้ายักษ์ได้เข้ามาที่ห้องของเขาและยืนอยู่เหนือเตียงพร้อมกระบองเหล็กในมือเขาทุบลงที่เตียงยักษ์จนหักครึ่ง ตอนนี้ข้ากำจัดเขาได้แล้วข้า ค, คงหลับสบายแล้วในคืนนี้เมื่อถึงตอนเช้าเจ้ายักษ์มีความสุขกับอาหารเช้าของเขาทัานใดนั้นประตูห้องของรีโอ ก, ก็เปิดออกมาและรีโอ ก, ก็เดินออกมาเออรุสวัตท่านยักษ์ตัวแมนเมื่อคืนหลับสบายมากเลยอะแต่ข้าต้องขอโทษด้วยที่ต้องบอกว่าเตียงท่านหักนะสงสัยเมื่อคืนข้าเนี่ยคงนอนดิ้นเยอะไปหน่อยเจ้าเจ้ายังมีชีวิตได้อย่างไง นมันเกิดไปแล้วเจ้ายักษ์กลัวอย่างมากวิ่งออกไปจากถ้ำและไม่พบมันอีกเลยริโอออกเดินทางต่อไปคราวนี้เขามาถึงอาณาจักรแห่งหนึ่งเขาเข้าไปที่สวนและงีบหลับบนหญ้าที่อ่อนนุ่มทหารเห็นเขากำลังหลับจึงปลุกเขาขึ้นเจ้าเป็นใครกันกล้าเข้ามาในพระราชวาังของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรกันละ่ะ ไปบอกกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเจ้านะว่าข้ารีโอนผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ไล่มันทั้งเจด็ด้วยตัวคนเดียวมาขอเข้าพบทหารตกตะลึงที่ได้ยินเช่นนั้นก็าพารีโอไปพบกับกษัตริย์ว้าวพระราชวังของกษัตริย์แมลงพวกนั้นนําโชคจริงๆเลยเป็นเกียร์ได้พบฝ่าบาทข้ารีโอนชายผู้ขับไล่พวกมันทั้งเจด็ด้วยตัวเพียงคนเดียวโอ ว, วิเศษมาก อนนาณาจักรของข้ากำลังมีปัญหาโดยยักษ์สองตัวพวกมันทำให้ผู้คนหวาดกลัวและก็นำสัตว์ไปจากพวกเราเจ้าต้องไปที่ป่าเพื่อขับไล่พวกมันนะแมลงวันไม่ได้นำโชคอีกแล้วถ้าเจ้าทำได้เจ้าจะได้แต่งงานกับลูกสาวข้าและอนนาณาจักรครึ่งหนึ่งจะเป็นของเจ้าเลยพวกมันนำโชคแน่นอนตามพระประสงค์ฝ่าบาท ข้าจะไปที่ชายป่าแล้วก็กลับมาด้วยข่าวดีที่ฝ่าบาทรอนี่เจ้าสามารถนำทหารไปกับเจ้าได้ตามความต้องการเลยฝ้าบาทถ้าไม่ต้องการทหารเลยข้าจะไปกําจัดยักษ์สองตัวด้วยข้าเพียงคนเดียวเท่านั้นเองดังนั้นเขาจึงไปในป่าลึกและเมื่อเขาเข้ามาถึงเขาพบยักษ์สองตัวกำลังหลับอยู่ เขาปีนขึ้นไปบนต้นแอปเปิ้ลเหนือยักที่หลับอยู่และดึงแอปเปิ้ลออกมาสองลูกได้เวลาสนุกแล้วสินะเขาโยนแอปเปิ้ลไปที่ยักษ์ตัวหนึ่งมันโดนไปที่หัวของมันและปลุกมันขึ้นมาเฮ้ยเจ้ามาตีฉันตอนนี้เนี่ยนะเปล่าอะไรอ่ะเจ้าพูดถึองอะไรไม่เห็นหรอกข้ากำลังหลับอยู่อ่ะขจะไปตีเจ้าทาไมอ่ะจะไปนอนได้แล้ว บางทีข้าอาจจะฝันไปก็ได้นะและพวกมันก็กลับไปนอนรีโอโยนแอปเปลิลไปที่ยักษ์ตัวที่สองมันเติ่นขึ้นมายัางโมโหโอยเจ้าตีข้าทําไมอ่ะเฮ้ยเปล่านี่ข้าไม่ได้ทานะไม่เหรอข้ากำลังหลับอยู่อะ่ะเจ้านั่นแหละเป็นคนตีข้าเจ้าปลุกข้าแล้วยังจะมาหลอกข้าอีกอยังนั้นน่ะเหรอทันใดนั้นรโอได์แอ ป, ปเปิลอีกลูกไปทางอื่น ที่ทำให้ยากทั้งสองค่อยเควขณะที่มองไปที่เสียงของแอปเปิลชนกับเปลือกไม้ข้าคิดว่านะมีคนกําลังปั่นหัวพวกเราอยู่อะดิมันไม่ฉลาดที่ทําแบบเนี้อะไปจับมันมาขณะที่ทั้งสองเดินไปที่ต้นไม้อีกต้นกรงขนาดใหญ่ตกลงมาขังพวกมันเอาไว้เ อ, อเออจ้าอยากทั้งสองพยายามจะทําลายกรงไม่นานพวกมันก็เหนื่อยและสลบไป รีโอยิ้มออกมาสําเร็จแล้วฟาบาดข้าจับยักษ์ได้แล้วตอนนี้ข้าจะได้เจ้าหญิงและอาณาจักรหรือยังล่ะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอยังข้ามีอีกอย่างให้เจ้าทําที่ปลายสุดของอาณาจักรในป่ามียูนิคอร์นอยู่ตัวหนึ่งนํามันมาให้ข้าและจากนั้นเจ้าจะได้แต่งงานกับลูกสาวข้าและอาณาจักรกลุ่นหนึ่งจะเป็นของเจ้า ตามประสงค์ฝ่าบาทข้าจะไปจับตัวยูนิคอนมาเองเช่นนั้นเขาจึงไปที่ป่าเพื่อจับยูนิคอนเมื่อเขาพบมันมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามมากเมื่อมันเห็นรีโอมันพูดกับเขาด้วยความโกรธจะเป็นใครทำไมเข้ามายัางป่าของข้าละ่ะข้าถูกส่งโดยกษัตริย์เพื่อนำเจ้ากลับไปกับข้ากษัตริย์กษัตริย์มีโอกาสที่จะพาข้าไป ข้าเพียงขอสิ่งเดียวที่ข้าปรารถนาแต่เขายังทําไม่ได้เลยแล้วเจ้าปรารถนานั้นคือสิ่งใดล่ะให้ข้าลองทํามันเด็ดเจ้าได้ไหมข้าอยากจะเห็นสายรุ้งข้าเนอะไม่เคยเห็นมันเลยในชีวิตนี้เพื่อนเพื่อนของข้าทุกคนต่างได้เห็นมันแล้วล่ะถ้าเจ้าทําได้ข้าจะยอมไปอาณาจักรกับเจ้าริโอมองขึ้นไปมันมีเมฆจํานวนมากและไม่นานฝนคงตกเขาคิดอยู่ครู่หนึ่ง และคิดแผนออกแค่นี้เองเหรอมันง่ายมากเลยข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นสายรุ้งในอีกไม่นานน่ะจากนั้นฝนก็เริ่มตกหนะักรีโอและยูนิคอนวิ่งไปหลบฝนใต้ต้นไม้เจ้าโกหกข้าข้าต้องการสายรุง้งแต่ว่าเจ้าให้ฝนกับข้าดี่เนนะข้าเป็นจอมเวฆนะและเป็นจอมเวฆแห่งสายฝนด้วย เมื่อขดูดซับพลังจากบันข้าจะแสดงสายรุ้งให้เจ้าได้เห็นน่ะในไม่ชา้าฝนก็หยุดตกและเมื่อเมฆแยกออกก็เกิดสายรุ้งขึ้นนั่นดูสิมองกดนบนท้องฟ้าสิ อ, อ้อมันช่างงดงามสีสันนั้นเติมเต็หมหัวใจของข้าไปได้วยความสุขขอบคุณมากจอมเมดผู้ยิ่งใหญ่ตามที่ข้าสัญญาข้าจะไปยังอาณาจักรกับท่าน ดังนั้นรีโอและยูนิคอนจึงเดินกลับไปที่อาณาจักรด้วยกันฟ้าบาดข้านํายูนิคอนมาให้ท่านแล้วตอนนี้ท่านต้องทำตามสัญญาเยี่ยมมาเจ้าจะได้อนาจักรของข้าครึ่งหนึ่งและแต่งงานกับลูกสาวข้าในวันพรุ่งนี้วันต่อมางานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกจัดขึ้นและทั้งอาณาจักรต่างเปลื้อนปิติคืนนั้นตอนที่พวกเขาอยู่บนเตียงเจ้าหญิงได้ยินเสียงรีโอระเมอพ่อนุ่ม เสื altung, ้อและเย็บมาให้เข้าที่นะเสื้อจากเย็บผ้าเหรอสามีของข้าไม่ได้วิเศษหรือว่าเป็นคุณนางก็เป็นแค่ช่างตัดเสื้อธรรมดาเจ้าหญิงไปพบพ่อของเขาด้วยความโกรธและบอกทุกอย่างที่เธอได้ยินแต่พ่ออะไรเขาไปไม่ได้มันไม่ถูกต้องไม่ต้องห่วงนะลูกรักพ่อจะให้ทหารนําเขาไปในคืนนี้เจ้าไม่ต้องกังวลในขณะที่กษัตริย์กําลังพูด คนนา่งคนหนึ่งที่ชอบรีโอมากได้ยินที่กษัตริย์พูดเขาไปพบรีโอและบอกเขาทุกอย่างที่กษัตริย์พูดรีโอลคืเนียท่านตกอยู่ในอันตรายกษัตริย์พยายามจะกำจัดท่านท่านต้องระมัดระวังตัวไว้เป็นอย่างดีโอ้งั้นเหรอกษัตริย์ช่างเนรคุณจริงๆขอบคุณท่านมากนะข้าจะทำสิ่งที่พอทำได้ คืนนั้นด้านนอกห้องของรีโอทหารของกษัตริย์ได้เข้ามาเพื่อนำตัวเข้าไปพวกเขายืนอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ารีโอกาลังหลับอยู่รีโอเปิดตากว้างและตื่นอยู่เขาได้ยินเสียงทหารว่ากําลังจะเข้ามาเขาจึงพูดเสียงดังขึ้นข้าคือรีโอนผู้ยิ่งใหญ่ข้าเป็นชายที่จัดการพวกบันทั้งเจ็ดด้วยตัวคนเดียวย้นหินขนาดใหญ่ลงในแม่น้าและจับยักษ์ที่อันตรายได้สองตัว เขาพูดได้ในตอนที่กําลังหลับเหรอถ้าเคยได้ยินแต่ขนกรนเสียงดังแต่ไม่เคยรู้เลยว่าจะพูดในเสียงดังเช่นนี้ทําไมข้าต้องกลัวพวกเขาที่ยินอยู่หน้าห้องของข้าต้องการที่จะจับข้าไปอยากรู้ไม่ว่าข้าเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนเขาเขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้หนีสิข้าไม่อยากให้เขาโกรธเราอ่ะไปแล้วพวกเขาก็วิ่งกลับไปยังห้องของพวกเขารีโอหลับอยู่อย่างสนิทเมื่อรู้ว่าไม่มีใครรบกวนอีก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่เคยมีใครถามเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของรีโอเขาปกครองอาณาจักรครึ่งหนึ่งของเขาและใช้ชีวิตกับภรรยาอย่างมีความสุขรีโอนั้นไม่ได้แข็งแรงมันไม่ใช่ความแข็งแกร่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมันเป็นเพราะเขาใช้ปัญญาและมันสมองของเขาทำให้ได้ปกครองอาณาจักรครึ่งหนึ่งอีนี่นแรงว่นานิยมของข้าน่ารังเกียจข้าไล่มันเองที่รักของข้า มันทำโชคมาให้ข้าตลอดมาเลยและมันอาจเป็นโชคดีเล็กน้อยที่ตัดสินใจบินไปในเส้นทางที่เขาต้องการ